ถ้าไม่ต้องตั้งเอาซะแล้วเนี่ยก็จบเลยในจิตนั่นแหละลูกก็ทุกอย่างไม่กระทั่งในจิตเองเป็นต้นไปนั่นแหละแต่ว่าในธาตุสี่ขันห้าอะไรเนี่ยไม่ว่ากายหรือไม่ว่าจิตทั้งหมดนะตั้งแตู่้เห็นนึกคิดปรุงแต่ง ความรู้สึกอารมณ์อะไรก็ตามทีหรือว่าในทุลักษณะแห่งกายแห่งจิตทั้งหมดเนี่ยลูกไม่ต้องตั้งเอาซ้อนลงไปอีกก็จบอ่ะไม่เป็นโมหะซ้อนไม่เป็นตัณหาซ้อนไม่เป็นอุปทานซ้อนธาตุซ้อนขันซ้อนกายซ้อนจิตนั่นเองรู้ไม่รู้ลูกก็ไม่ต้องตั้งเอานี่รู้อะไรอีก สิ่งที่มันมีเพราะมันอยู่เองแล้วตามธรรมชาติเนี่ยนะจิตตามธรรมชาติเนี่ยรู้ไม่รู้ที่มันมีอยู่เองแล้วตามธรรมชาติเนี่ยนะคือไม่ต้องไปตั้งเอาอีกแล้วเนี่ยแล้วมันจะดับเลยหรือว่านี้ลอดเลย จะเข้าใจไม่เข้าใจอะไรก็ตามทีก็ไม่ต้องไปตั้งเอาสิ่งที่เรียกว่าทิฐิปรุงแต่งทั้งหลายปัญญาปรุงแต่งอะไรหรือที่โลกเรียกว่าปัญญาปัญญาถ้ายังหลงตั้งเอาอยู่มันก็เป็นตัณหาในปัญญาเป็นอุปทานในปัญญาเป็นโมหะในปัญญาก็ไม่ได้เฉลียวอีกเหมือนกันว่ามันไม่ดับมันะคิดว่าจะเอาปัญญาไปดับกิเลสนะ แต่ว่าไม่ดับไอตัวเอาในปัญญาซะเองเนี่ยนะไอตัวที่จะมีปัญญาตัวที่จะเอาปัญญาเนี่ยไม่มีใครได้เฉลียวหรือว่าเป็นส ม, มุทยัยเป็นเหตุเป็นทั้งตัณหาเป็นทั้งโลภะที่มันจะเอาเนี่ยนะเป็นทั้งหมดของเหตุเลย เ, ยเราไม่ดับไอตัวจะเอาซะเองคิดว่าจะเอาปัญญาเพื่อไปดับกิเลสแล้วเอาปัญญาไปดับทุกข์ แต่ไม่ดับไม่ยุติไอตัวที่จะเอาปัญญาเนี่ยซึ่งมันเป็นตัวทุกซ้อนในปัญญาเนี่ยนะตัวตั้งเอาตัวเดียวการที่มันคอยเอารู้เอาเห็นเอานึกเอาคิดเอาความรู้สึกเอาอารมณ์เอาความปรุงแต่งเอาสุนทรีไม่สนทธิอะไรก็ตามทีเถอะเอาธาตุเอาขันอะไรเอาสรรพสิ่งไอตัวตั้งเอาตัวเดียวเนี่ยบอกแล้วว่ามันเป็นทั้งหมดของ กรรมกิเลสทุกประเภทเรียกว่าทั้งอุปทานทั้งตัณหาทั้งโมหะก็รวมอยู่ในลักษณะแห่งการคอยตั้งเอาเน่แหละตั้งแต่การตั้งเอาในจิตเนี่ยเป็นต้นไปไม่มีใครเฉลียวรล้ ว, ว่าเนี่ยมันคือกำลังเจริญสมุทัยอยู่กำลังเจริญเหตุแห่งทุกข์อยู่คิดว่าจะเอาสติเหรอจะเอาสมาธิจะเอาปัญญา ไม่รู้หรือว่าไอตัวที่จะเอาเนี่ยมันเป็นตัวกิเลสซะเองเนี่ยยุติตัวที่จะเอาซอลงไปเนี่ยแล้วก็จบเลยนีโลดฉับพันโดยนิพันอยู่แล้วทันทีสิ่งที่มันมีอยู่เองแล้วเนี่ยแล้วก็เป็นไปโดยกระบวนการแห่งธรรมชาติธาตุในจางที่มันผ่านไปของมันเองโดยอัตโนมัติเนี่ยอยู่แล้วเนี่ยทาไมต้องเอาอีก มันก็จิตโดยจิตอยู่เองแล้วอย่างนี้ไม่ต้องคิดว่าจะต้องไปเอาแบบไหนอีกแล้วในจิตเนี่ยเตดก็ไม่ต้องเอาหลุดก็ไม่ต้องเอาหรออยยตเตดตัวเอาเสได้ก็บจบเลยจบเหตุจบสมุทยัยจบตัวยุ่ง ยุ่งก็เพราะว่าไอตัวหลงตั้งเอาของทุกคนนี่แหละลูกที่มันซ้อนโลกาธาตุอยู่เนี่ยซ้อนธรรมชาติอยู่เนยการหลงตั้งเอาที่มันซ้อนกายซ้อนจิตอยู่เนี่ยมันคือมันตัวยุ่งแหละเรือกว่าสมุทัยของทุกคนน แต่นั่นจะให้มันจบโดยสนิทเลยเนี่ยก็คือก็ไม่ต้องไปตั้งเอาอะไรอีกไม่ว่ากายไม่ว่าจิตไม่ว่าสรรพสิ่งเข้าใจไม่เข้าใจก็ไม่ต้องเอาในความเข้าใจเองจบตัวเอาซ่อนนะเหมือนกับว่ามันเอาเหตุไปหาเหตุเนี่ย เอาเหตุไปคอยดับเหตุมันไม่ยุติไอ้ตัวเหตุซะเองเนี่ยอย่างพยายามจะมีปรรัญญาอย่างงจะเอาปัญญาไปดับทุกข์อย่างนี้เป็นต้นเอาปัญญาไปแก้ปัญหาแต่ไอ้ตัวเอาปัญญาเนี่ยนะมันคือตัวปัญหาซะเองไอ้ตัวเอาเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่มองข้ามกันไปหมดน่ะ สรุปแล้ว่าเหมือนกับว่าแก้ปัญหาที่ปลายเหตุทั้งหมดเลยแต่นั้นจึงให้ไม่ใซะเองมันจะได้จบแบบหมดสั้นหมดยาวไม่ต้องมีโมหะตัณหาไปคอยสั้นคอยยาวกับอะไรอีก รู้ไม่รู้เนี่ยเห็นไม่เห็นที่มีอยู่เองแล้วนี้นะลูกทำไมต้องเอาอีกเอาซอ้อนลงไปเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสมุทัยซ้อนจิตไปเลยกลายเป็นเหตุซ้อนจิตเ น, นี่ยเหมือนกับว่าพยายามจะดับกิเลสแต่มันไม่ดับไอตัวพยายามจะดับซะเองเนี่ยก็แล้วมันเลยเลยความเป็นเหตุที่แท้จริงเลยความเป็นเหตุที่เป็นต้นขั้วและรากเง่า มันมักจะเลยเมื่อเลยแล้วก็สร้างปัญหาตลอดแหละมันจะมีกระบวนการแห่งปัญหาเหมือนก็พยายามจะหลุดพยายามจะพ้นเนี่ยแต่มันไม่ยุติดตัวพยายามที่จะหลุดสันเสองมันไม่หลุดจากตัวพยายามจะหลุดสเสองเนี่ยนั่นแหละมันไปคอยหลุดจากอะไรก็ไม่รู้มันมันก็เลยกลายเป็นตัวปัญหาไปตลอดไอ้ตัวพยายามจะหลุดจะพ้นน่น ถ้ามันไม่หลุดจากความพยายามที่จะหลุดใชเองยุติเรียกว่ายุติสมุทรไทยที่เป็นรากเหง้าและต้นขั้วต้นเหตุแต่นั้นก็เลยต้องฟังในส่วนที่เรียกว่าไม่ต้องคอยติดคอยหลุดแบบไหนอีกเนี่ยเพื่อยุติเหตุเหตุไอลักษณะที่พยายามจะหลุดนี่แหละนั่นแหละมันคือตัณหาทั้งหมด หลุดจากความพยายามที่จะหลุดซะเองอยให้ไหมซะเองอย่ามัวแต่ออฟไซด์อยู่อย่ามัวแต่ล้ำไปข้างหน้า โดยก็จะโดยนิโรดนิพพานอยู่แล้วทันทีเหมือนกับว่าจ้องที่จะจัดการเนี่ยแต่ไม่ยุติไอตัวจ้องจัดการซะเองเนี่ยแล้วมันก็ยังเป็นเหตุอยู่ จ้องแต่จะจัดการจัดการจัดการก็ไม่ยุติเอตัวต้องจัดการซะเองนี่คือตัวเหตุละตัวที่จะคอยเป็นผู้จัดการเนี่ยมันตัวเหตุทั้งหมดเนะ่ะตัวสร้างเหตุแล้วก็เป็นทั้งเหตุและเป็นทั้งการสร้างเหตุตลอดเรียกว่าเป็นตัวปัญหาซะเองไอ้ตัวผู้จัดการเนี่ย ไอ้ตัวคอยหลงจัดการเนี่ยลูกมันเป็นตัวปัญหาไปเส้เองไม่มีใครได้เฉลียวนั่นแหละอันก็โดยที่ไม่เสเองนั่นแหละไม่แบบไหนไม่อย่างไรอยู่แล้วนั่นแหละลูกหมดสั้นหมดยาวแล้วไม่ไม่ตันหาสั้นตันหายาว ไม่ต้องเป็นตัณหาในระยะสั้นระยะยาวต่อไปจะได้โดยนิโรธโดยนิพานอยู่แล้วแบบธาตุหมดจดธาตุบริสุทธิ์ธาตุที่ไม่ต้องห้ามหันทำรายทำลายกันไม่ต้องทะเลาะเบาแวงกันธาตุที่ไม่ต้องเบียดเบียนกัน ก็กายก็ธาตุชนิดหนึ่งจิตก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งไปในที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อโยติไอตัวผู้จัดการซะได้แล้วก็มันก็เป็นธาตุธรรมชาติไปธาตุธรรมดาไปกายจิตเนี่ยเรียกว่าไอตัวคอยจัดการทางจิตนั่นแหะเรียกว่าตัณหาโมหะอุปทานทั้งหลายเนี่ย ในลักษณะของการคอยจัดการในลักษณะของการคอยอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนี mm ่ hmm. ว่าเหตุเลยเรียกว่าสมุทรไทยกําลังเจริญเหตุแห่งทุกข์กาลังเจริญสมุทรไทยสมุทรไทยก็แปลว่าเหตุนั่นแหละกําลังเป็นเหตุไปเสียเองกําลังหลงเป็นเหตุไปเสียเองในตัวคอยจัดการเนี่ย แต่นั้นแต่ละคนแต่ละคนเราก็เดูเหมือนประเด็นนว่ามีแต่ตัวปัญหาในบุคคลแต่พยายามที่จะไปแก้ปัญหาข้างนอกแต่ไม่รู้จักไอตัวปัญหาในตัวมันเองของแต่ละคนมัวแต่จะไปแก้ข้างนอกจัดการข้างนอกอะไรมันก็เลยกลายเป็นปัญหาที่บันไปลายไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่จบไม่สิ้น เพราะว่าแต่ที่จะไปหลงจัดการใ่ภายนอกนั่นเองก็ไม่ค่อยใจแล้วไว้ตัวปัญหาในภายในของตัวเองของแต่ละคนของทุกคนนั่นแนะทำไมไม่ไหม้มซะเองไอ้ตัวเนี่ยมันคอยหลงเริ่มหลงจบทั้งจิตอะไรนะนะั่นแะเรียกว่าปัญหาหมดหรืออย่างนั้นก็เรียกว่าตันหานั่นเอง คอยจากอย่างนั้นคอยจากอย่างนี้ของทุกคนในจิตในใจนั่นแหละมันเป็นตัวปัญหาทั้งหมดท้าไม่ไม่ยุติไอปัญหาในภายในเสียเองแล้วกแก้เป็นการแก้ที่ต้นเหตุของทุกคนนะอย่างนี้ไม่ต้องเอาอีกไม่ต้องไปตั้งเอาแบบนี้อีกแล้วไม่ในกายในจิต ในรู้ในเห็นในนึกในคิดในสติสมาธิปัญญงปัญญาอะไรแล้วมันจะไม่เป็นกิเลสในสติไม่เป็นกิเลสในลักษณะของตัวเอาเนี่ยตัวตั้งเอาเนี่ยมันเป็นกิเลสเนี่ยเอากิเลสไปเอาสติเอากิเลสไปเอาสมาธิเอากิเลสเอาปัญญาเอากิเลสไปเอาธาตุเอาจิตนะเอากิเลสไปเอาสรรพสิ่งก็แล้วตัวตั้งเอาเนี่ยมันเป็นกรรมกิเลสทั้งหมด ซึ่งมันเปนขัดแย้งกับการสละละวางในตัวมันเองอย่างยิ่งเลยเมืแต่จะเอาจะเอาไม่มีใครเฉลียวเลยว่าตัวจะเอานี่แหละมันเป็นการรมกิเลส ท, ทั้งหมดถ้ามันไม่หยุดการรมกิเลสซะเองทำไมไม่ไหม้ซะเองแล้วก็จบเลย ไม่ต้องไปสติลากยาวสมาธิปัญญองปัญญาลากยาวหัดฉัิพลั่นดินะอัจฉริพัน่นยุติฉับพลั่นเนตัดฉับพลั่นยุติฉับพลั่นก็ไม่เสเองแล้วก็จบไม่ต้องไปตั้งเอาไม่ว่าโลกหรือธรรมถ้ายังหลงตั้งเอาอยู่มันก็ยังเป็นตัวปัญหาสําหรับโลกสําหรับธรรมอยู่ตลอดไอ้ตัวตั้งเอาเนี่ย ถาย่เตะตัวหลงตั้งเอาซะได้ไม่ว่าจะในภายในภายนอกก็จบเลยไม่ต้องไปหลงหลุดหลงติดแบบไหนอีกครับจบเลยธาตุที่มีอยู่แล้วถ้มันมีอยู่แล้วเขามันเองไปตามธรรมชาติธาตุทั้งหลายไม่เลือกวเวลาไม่เลือกกลางวันกลางคืนไม่เลือกการก็ที่มันมีเขามันอยู่เองแล้วไปอย่างนั้นนั้นไปธาตุบริสุทธ์อ่ เมื dogs, like enemy, ่อหลงตั้งเอาามากแล้วมันจะกลายเป็นความหวงความหวงความเหนียวหนืดอเหนียวแน่นแล้วหลงติดหลงยึดตามมาทุกสิ useum, ่งทุกอย่างไม่ว่าโลกหรือธรรมเหมือนกันหมดเมื่อหลงตั้งเอาแล้วมันจะกลายเป็นความหลงติดหลงยึดกลายเป็นความหลงก็ไปผูกพันหมายมั่นเหนียวแน่นแล้วก็ออกลําบากคลายลําบากไม่ว่าโลกหรือธรรมเหมือนกันหมดรอแล้วแต่มันไม่จบเหตุอะมันยังเป็นเหตุในธรรมยังเป็นเหตุในโลกวิสัยอยู่ ที่ตั้งใส่ตั้งเอานั่นแหละมันคือตัวเหตุทั้งหมดเลยทีนี้ห่วงล่ะห่วงห่วงอะไรวอนทุกสิ่งอย่างก็มาจากไอ้ตัวหลงตั้งเอาทั้งนั้นแหละ เหนื่อยดิ่ลำบากทุกยากดิ่ยิ่งตั้งเอามากก็ยิ่งทุกยากมากเหนื่อยมากลำบากมากดิ่ ะ, ะเจริญต่เหตุสร้างต่เหตุ พวกที่เอานิพพานก็เหมือนกันที่จะเอานิพพานหรือเพื่อนิพพานเนี่ยมอนจะเอาจะเอาเนี่ยไม่เข้าใจหลือว่ากําลังเจริญในสิ่งที่มันคนละเรื่องกับนิพพาน่ะไอ้ตัวจะเอาเนี่ยไม่เข้าใจหลือว่ากําลังเจริญในสิ่งที่มันตรงกันข้ามกับนิพพานโดยสิ้นเชิงไอ้ตัวจะเอาเนี่ยตัวจะเอานิพพานเนี่ยไม่เข้าใจหรอวไว้ตัวจะเอาเนี่ยมันกลายเป็นพานไปเสียเองยุติตัวที่จะเอานั่นแหละก็นิพพานทันที ดังนั้นเนี่ยตัวหลงที่จะตั้งเอาหลงจะเอามันคือตัวปัญหาของทุกคนเองแยะมันขัดแย้งกับคําว่าเสียสละสละสละสละนี่ก็หมายถึงว่าไม่ต้องไปตั้งเอาอะไรนั่นแหละเรียกว่าสละตัณหาสละอุปทานสละโมหสะสละกรมกิเลสนั่นแหละสละมันก็จะเหลือแต่ความเป็นธรรมชาติที่มันเป็นไปเองโดยตัวโนมัติไม่เรียกว่าการอยู่ก็ได้ จะเรียกว่าการอยู่ก็หมายถึงที่ของมันอยู่เองแล้วไปหรือไม่เรียกว่าการอยู่ก็ได้ที่ของมันเป็นไปเองตามธรรมชาติเนี่ยไม่ต้องเรียกว่าการอยู่ก็ได้ที่มันมีความเป็นไปเองอยู่แล้วของทุกท่าของทุกธรรมชาติเนี่ยไม่ต้องเรียกว่าการอยู่ก็ได้หรือถ้าจะเรียกว่าการอยู่ก็หมายถึงที่ของมันอยู่เองแล้วเนี่ยอย่าให้มันมีอะไรอะไรที่มันแปลกประหลาดซ้อนเข้าไปในการคอยอยู่ คอยยึดเสียจนให้มันมากมายเกินไปจนกลายเป็นปัญหาที่เขามันอยู่เองแล้วเนี่ยแต่แล้วเวลาเนี่ยไม่เดือดร้อนนะไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องเบียดเบียนไม่ใช่การเบียดเบียน ไม่ต้องตั้งเอาอะไรอีกลูกแล้วก็จะเบาทันทีที่รู้สึกหนักๆในจิตในใจเนี่ยในหัวสมองเนี่ยนะที่รู้สึกหนักๆมันจะเบาลงทันทีเอลูกมันเอารู้เอาเห็นเอาเพ่งเอาเลงเอาแลเอาผิดเอาถูกเอาอะไรความรู้สึกนึกคิดเอาอารมณ์อย่างนั้นอย่างนี้โมแต่ตั้งเอาตั้งใส่มันก็หนักไปหมดแหละสมองซีกซ้ายสมองซีกขวา สมองซีกหน้าสมองซีกหลังสมองซีกบนก็หนักไปได้วยกันหมดซีกไหนก็หนักหมดเราตั้งเอาเนี่ยหนักหัวสมองไม่พอมันหนักอกแน่นอกจุกคอหอยหนักตัวหนักต้นหนัก ก, น ก, น ก, นน ก, กายต่อไปอีกนะถ้าลถหลอดตัวหลงตั้งเอาได้ก็เบาทันที ไม่ต้องไปกินยาคลายเครียดหรอกเบาทันทีแล้วโลกแห่งการเบียดเบียนทั้งหลายก็จะลดลงด้วยถ้าหยุดจะได้นะ ทุกวันนี้จะตกลงว่าจะตามอะไรตามพุทธะอรหันต์ตามองค์มหาโพธิมหาบุรมีทั้งหลายหรือว่าจะตามอะไรตามเปรตตามเดรัจฉานตามหลุดสุรกายหรือว่าตามสัตว์นรกอะแข่งกันเอาอ่ะตกลงจะตามอะไรตามอบัยภูมิหรือว่าจะตามโพธิตามพุทธตามความสว่างสวยตามผู้ศรัจะตกลงจะตามอะไร ถ้าตามพุทธาตามพอธิตามอราหารนี่คือไม่ต้องตามคือไม่ต้องอ่ะเระโดยที่ไม่ซะเองเนะี่ยของทุกคนนั้นเลยจบเลยแต่ถ้าตามอบยภูมิตามเดชานตามเปรตตามสุรกายตามสัตว์นรกนี่ก็ต้องแข่งขันแย่งชิงช่วงชิงตั้งเอาชิงได้ชิงเสียอะไร อันนั้นก็ต้องเหน็ดเหนื่อยไปแล้วหัวหกคนฟิดทุรักทะเลยากลำบากก้น ค, คลางโอดโอยร้องขอบนผ้ามเพลละเมอเพลพก ว, วิปลาสไม่สมบระดีเรียกร้องความยุติธรรมอยุติธรรมไม่ต้องไปยุติธรรมหรอกไอ้กรทวงยุติธรรมนี่ยุบให้หมด ตั้งใหม่เป็นกระทรวงยุติกรรมพอให้ยุติกรรมแทนยุติธรรมไม่ต้องเพราะมันทำโดยธรรมอยู่เองแล้วไม่ต้องไปยุติอีกให้ยุติกรรมแทนเดี๋ยวนี้ปัญหามันไม่อยู่ที่ธรรมมันปัญหามันอยู่ที่กรรมซ้อนทำให้ยุติกรรมยุตินิพพติกรรมตัวหลงตั้งเอาตั้งมีตั้งเป็นทั้งหมดเนี่ยเรียกวเป็นตัณหาเป็นอุปทานเป็นโมหะทั้งหมดนี่เราบอกกรรมกิเลสทั้งหมดนะให้ยุติกรรมแทน ไม่ต้องไปยุติธรรมหรอกให้ทำมันทําโดยทําอยู่เองแล้วไม่ต้องไปยุติอีกสําคัญที่ว่ามันเอากรรมไปซ้อนทำเนี่ยตัวหลงตั้งเอาไปเอาในธรรมนี่แหละทุกอย่างเนี่ยมันซ้อนไปด้วยส ม, มุทัยด้วยเหตุตัวหลงตั้งเอาเนี่ยเนี่ยมันคือเจตนากรรมเหตุกรรมทั้งหมดให้ยุติกรรม ทำมันโดยทำอยู่เองแล้วเนะี่ยเป็นไม่ต้องไปยุติธรรมเองให้ยุติกรรมกรรมที่มันเกินกันไปเกินกันมา ใ, ให้ยุติไม่ใช่ยุติธรรมยุติกรรมแม้แต่กระทรวงยุติธรรมก็ยังสร้างกรรมต่อเลยเนะี่ยบางทีเนะี่ยไม่รู้เรื่องหรอกนะ มันมีแต่เรื่องกรรมที่ต้องยุติกรรมพฤติกรรมตัวหลงตั้งเอาหลงติดหลงยึดขอังแต่ละรูปตะ น, นามแต่ละกายแต่ละจิตนะ่ะยุติยุติแล้วมันก็จะเหลือเพียงทำโดยทำอยู่เองแล้วไปเองมันไม่ต้องไปยุติธรรมยุติกรรมแทนก็เหมือนกันนั่นแหละกายธาตุจิตธาตุก็จะเป็นกายทำจิตทำแบบหมดจดไปเอง ไม่ต้องไปเกิดเป็นดับไม่ต้องไปคอยติดคอยหลุดกับกายกับจิตอีกเพราะมันทําโดยทําอยู่เองแล้วเนี่ยมันทําโดยทําบริสุทธิ์เสเองแล้วในเรื่องให้ยุติกรรมที่ซ้อนกายซ้อนจิตเท่านั้นตัวที่จะหลงจึงจ้องต้องตั้งเอาในกายในจิตเนี่ยยุติเลยเรียกว่ายุติกรรมซ้อนกายทำซ้อนจิตทำ จิตก็เป็นธรรมกายก็เป็นธรรมธรโดยธรรมอยู่เองแล้วเนี่ยถ้ากามมันไม่ซ้อนเนี่ยถ้าตัณหาไม่ซ้อนเทพบุตรไม่ซ้อนโมหะไม่ซ้อนเนี่ยมันจะเป็นกายธาตุกายธรรมที่บริสุทธิ์จิตธาตุจิตธรรมที่บริสุทธิ์หมดจดไปเองไม่ต้องไปติดไปหลุดอีกให้ยุติตัวหลวงตั้งเอาซ้อนกายซ้อนจิตเท่านั้นแหละจบเลยลูก 啊，手手手手手。